ท่าฟังที่คารพคะท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ FM ฟเอมรอยหครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะกับรายการสัสนิสนทนาถึงช่วงเวลาที่ท่านคอยฟังกันอยู่โดยเฉพาะคนที่ส่งคําถามมานะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์เผบุญอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีนำ้ำมัสกายคะท่านคะ่ะอาจริ์เผยบุค่ะท่านอาจารย์คะวันนี้ อยากจะกลับเตียนถามเรื่องต่อจากเมื่อวานเพราะว่าเราค้างกันไว้ที่ว่าเมื่อเห็นพระภิกษุสงฆ์ประพฤติไม่เหมาะแล้วคิดตําหนิท่านบาปหรือไม่คะและท่านจํารย์บอกว่าบาปแน่นอนนะคะเพราะมีพุทธวจนะไว้ว่าถ้าใครบริภาติเตียนพระสงฆ์อันนี้พูดแบบย่อนะคะสรุปว่ามีโอกาสผิดหนึ่งในสิอย่างอยากจะทบทวนพุทธวจนะตรงนี้อีกสักนิดนึ่งบทเป็นยันชนะคือว่าเธอผู้ใดด่าบริภาตเพื่อนประพฤติพระมันจันทั้งหลาย ติเตียนพระอริยเจ้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่เธอนั้นจะไม่พึงถึงความชิบหายสิเอ็ดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งในสิเอ็อย่างนี้หรือหลายอย่างพร้อมกันก็ได้นะคะคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว 3. ส, สัตรธรรมของเธอนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้วคือใครที่บรรลุแล้วสัตธรรมคือคุณธรรมของตัวเองเนี่ยจะไม่ผ่องแผ้ว4 เป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสาตธรรมคิดว่าตัวเองได้บรรลุแล้ว5 <Okay. S 1> เป็นผู้ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจทร์จะไปปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติไม่อยากไปลักษณะนี้ห oh. กต้องอาบัตเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยอาบัตเนี่ยจะต้องจะผิดอาบัตเล็กน้อยไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอาบัตหนักขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่รีบแก้ไข <Okay. S 1> แล้วข้อต่อไปคือบอกลาศิขาเวียนมาเพื่อพเพื่อความต่ํา ก็คือหมายถึงอาจจะต้องเลิกศิาลาเพศไปเลยหรือว่าอย่างถัดไปจะต้องถูกต้องโรคอย่างหนักที่เราเคยเห็นก็มีก็มีมคือคนที่ป่วยประสบอุบติเหตุอะไรก็เคยเจออยู่เหมือนกันอ๋อหรอคะถัดไปก็คือย่อมถึงความเป็นบ้าคือความฟุง้งซ่านแห่งจิตคิดฟุง้งซ่านเพ้อเจ้อนั่นนี่ไป <Okay. S 1> ข้อที่10นะเป็นผู้หลงไหลทําการละคือการตายก่อนตายแต่มาก็เคยเจอกํานันคนหนึ่ง ที่เขาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สมัยที่เขาไปปัาบยาเสพติดอะไรฟรงสั้นแห่งจิต<ะ>ลหลงไหลทำการละแล้วข้อสุดท้ายข้อที่สิเอเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติมินิบาลและนรกตรงนรกเลยเหรอคะใช่ <c oughs> ตายไปแล้วน ะ, ะเพราะนั <c oughs> ้นการ <c oughs> <c oughs> ที่จะไปด่าคนอื่นเนี่ยด่าปริพาทเนี่ย น, นะหมายความว่าติเตียนอิจฉาริษยาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นทั้งนั้น พระอรดีตเจ้าด้วยอันนี้เมื่อวานวท่านอาจรก็บอกว่าแม้พระพุทธ อ, องค์จะตรัสว่าเธอผู้ใดในหมายถึงภิกษุเนี่ยแต่อันนี้ก็ใช้กับคารวาสถ้าหากว่าไปติเตียนบริาพาทพระภิกษุด้วยใช่ใทีนี้วิธีแก้ทํายังไงเราก็ด้วยการไปขอขอมาพระภิกษุเราเนี่ยจะมีประเพณีหนึ่ ง, ซ, งซึ่งงดงามก็คือการไปขอขอมาซึ่งกันละกันถ้าได้มีอะไรประมาทพลาดพลัง้งทางการวาจาใจ เจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมแล้วก็ให้การกระทำนี้เป็นเครื่องเตือนสติในการที่จะมีสภาการสํารวมระวังในการต่อไปอก็คือพุริเจาตรัสว่าผู้ใดเห็นโทษ ด, ด้วยความเป็นโทษเนี่ยแล้วก็กระทําคืนตามตํานั่นจะเป็นความเจริญของเทอญในอริยวินัยนี้เพราะนั้นถ้าเราทําผิดแล้วเราก็คิดใหม่เห็นไหค่ะยัง<ะ>อย่ง มาเคยเคยดู VCD กันหนึ่งที่มีลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวคเคยติเตียนหลวงตามหาบัวหลายอย่างะแล้วเขาปากเบี้ยวปากเบี้ยวไปเลยนะอืมแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาต้องไปขอขมาหลวงตาแล้วหายอ่ะค่ะแล้วก็ดีขึ้นมาอันนี้ก็งงเหมือนกันเลยหลายอย่างเคยได้ยินครูบาอาจารย์นะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่เคยได้เนี่ยอืมเป็นเพราะว่าเคยติเตียน พระอริยสงฆ์ต้อง <จะ S 1> เป็นพระอริยสงฆ์เลยหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ธรรมดาธรรมดาอยู่ที่คุณธรรมของ<น>ผู้นั้นที่เราตีเตียน ค, คืออย่างน้อยพระเนี่ยนะก็ยังมีศีลถึงแม้เขาจะเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านก็ยังมีศีลนะถ้าจังคะเดี๋ยวกลับเรียนถามว่าเคยดูรายการโทรทัศน์อย่างเนี้ยที่เขาไปถ่ายมาว่ามีพระวัดไหนแต่งตัวประพฤติไม่เหมาะสมหรือบางทีแต่งตัวคล้ายแบบเหมือนกับพวก คึ่งคเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะประพฤติตัวน่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการติเตียนด้วยหรือเปล่าคะผู้ที่เอามาเปิดเผยให้ใช่ค่ะแล้วรายการข่าวนี่ก็จะทำกันแบบโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะทุกคนเนี่ยอยากจะให้โลกของสงฆ์เนี่ยเป็นโลกที่สมควรกับสมณะอยู่ที่เจตนาขาวว่าคือถ้าเขาต้องการทำให้สงแต่กันอันนี้หนักเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาไม่เป็นพระเนี่ยเขาทําให้สงแต่กันไม่ได้ อย่างดีที่สุดเขาก็คือเพื่อเอาความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้ค่ะแล้วถ้าเขามีเจตนาว่าเออให้สงให้ฝ่ายนี้แต่จากฝ่ายโน้นอันนี้เจตนาเขาไม่ดีค่ะแต่ถ้าเขาต้องการเจตนาว่าเออเปิดเผยขึ้นมาเพื่อให้ความไม่ดีเนี่ย<ล>มันจะได้หายไปค่ะแล้วมีมาตรการแก้ไขอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีแต่ใครทําดีเนี่ยควรจะยกย่องสรรเสริญมากกว่าเอาความไม่ดีมาเปิดเผยกันนะคะคือถ้าสมมติว่าเรานําเสนอว่าแบบอย่างที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ ต่อไปแบบอย่างที่ไม่ดีก็ปรากฏไปเองแล้วเราก็ไม่เสี่ยงต่อการที่จะต้องไปพลาดพลั้งกับผู้มีศีลโดยไม่ตั้งใจต้องฟังซ้ำเลยนะคะ11ข้อเดี๋ยวดิฉันจะสรุปให้ฟังว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสถึงคนที่บริพาติดเตียนพระสงค์สั้นๆอย่างนี้นะคะว่ามีโอกาสที่จะชิบหาย11ประการด้วยกันก็มีเรื่อง อ่านอ่านพุทโธเจะนะเต็มเต็มเลได้ไหมคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดด่าบริพาทเพื่อนโภมจันทร์ทั้งหลายติเตียนพระอริยเจ้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่ภิกษุนั้นจะไม่พึงถึงความฉิบหายสิออย่างอย่างใดอย่างหนึ่งความฉิบหายสิออย่างเป็นไฉนคือไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วสัตธรรมของภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้วเป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัตธรรม เป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติปรมจาจันต้องอาบัตเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งบอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อหินภาพถูกต้องโรคอย่างหนักย่อมถึงความเป็นบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิตเป็นผู้ลหลงไหลทำกาละเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอุบายทุขติวินิบาทนารกค่ะก็ผ่านไปหนึ่งเรื่องทีนี้เอาคาถามถัดไปนะคะท่านอาจารย์ชาญ กับยานคืออะไรชานก็คื อ, อชอกระเชอร์คล้ายๆนอนเณรนะนะคะ<อ>หัวม้วนข้างในเน่ยสละอานอนหนูยานก็คือยอหญิงสละอานอนหนูนนหนค่ะคือในทางคําสอนของพระาพุทธพระเนี่ยพระเจ้าได้พูดถึงคุณธรรมหลายอย่างมากฮิรีโอตปะการสำรวมอินทรีย์กา ร, นนการบริโภคอะไรต่างๆหนึ่งในนั้นที่พระเจ้าพูดถึงก็คือศีลถัดจากเรื่องศีลเนี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดในการสอนมากเวลาสอนเนี่ยจะไล่มาเป็นลําดับะนะสอนเรื่องเบสิกเบสิกก่อนแล้วก็สอนให้สูงขึ้นใครมีคุณธรรมแล้วสอนให้สูงขึ้นอีกนะเพราะฉะ้เรื่องที่ถัดมาจากเรื่องศีลเรื่องคุณธรรมทั่ ว, วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องฌานทอกระเชยสระานนรูเนี่ย ค, คือการเพ่งหรือการทําให้มีสมาธิจิตเป็นหนึ่งนี่คือฌานการเพ่งฌานในรากศัพท์เนี่ยแปลว่าการเพ่ง การที่เรามีสติเอาพูดภาษาไทยจะแปลว่าจดจ่อ <คะ S 1> มีจิตจดจ่ออยู่ในโพรงจมูกตำแหน่งที่ลมหายใจกระทบโพรงจมูกจดจ่ออยู่ตรงนั้นสติใส่ไว้ตรงนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอย่างที่ท่านมาพาทำเมื่อตอนต้นรายการ <คะ S 1> นั่นแหละคือการทำสมาธิล่ ะ, <ค>ะจิตที่จดจ่ออยู่ตรงนั้นนั่นแหละคือชาละเ <คะ S 1> พราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าชาเนี่ยนะมีหลายระดับนะ ฌานสระดับฌา น, นมีหลายระดับนะสระดับแรกเนี่ยเรียกว่าฌานที่เกิดจากการใช้รูปสี่นะระดับถัดไปไม่เรียกว่าฌานแล้วนะเพราะมันไม่สามารถจดจ่ออะไรได้เกิดจากการที่ใช้อารูปสิ่งที่ไม่ไม่มีรูปนะแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นสมาธิที่สูงสุดคือที่ไม่มีสัญญาและเวทนาเราจะยกตรงนั้นไว้ก่อนเราจะมาพูดถึงฌานนะเพราะนั้น คุณธรรมถัดมานะที่พระเจ้าสอนให้พระทำเนี่ยก็คือการให้มีสมาธิมีใจจดจอ่อก็คือฌานนั่นเองค่ะทีนี้ถามว่าพอทําฌานแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรมีพระมีมีพระพระรุทธเจ้าถามพระอย่างนี้บอกว่าเนี่ยถ้ามีใครมาโจทย์เธอนะบอกว่าพระภิกษุในธรรมวิเวณในเนี้ยเที่ยวหาความสุขกันค่ะให้คลาดไฟให้ทําการไต่ถามทวนถามซักไซส์ให้ว่าความสุขแบบไหน ถ้าความสุขที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ความสุขที่เกิดจากการลักทรัพย์ความสุขที่เกิดจากการเสพการความสุขที่เกิดจากการพูดโกหกเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่เราความทำความสุขที่เกิดจากฌานขั้นที่ 1.2.3.4 ามีมีความสุขแบบนี้ความสุข4อย่างเนี่ยเพื่อหวังผลอีก4อย่างนะั้นคือความสุขผลของฌาน4อย่างเนี่ย